ตื cat, ่นในบ้านตั้งแต่ตื่ขึ้นมาเื่นโมงเงี้ยยังไงอ่าตื่นตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาอยากลุกเลยไหมหรือว่าอยากนอนต่อก็แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนะตอนเท่ะมันตื่นขึ้นมาแต่ละวัน ร่างกายเป็นแบบไหนนะจิตใจเป็นแบบไหนแล้วนกะ็แล้วก็รู้นะรูนะ้มันตามความเป็นจริงอะไรนะถ้าเรารู้มันตามความเป็นจริงแล้วก็รู้มันนะดูมันจะเป็นอะไรก็มันก็แสดงความจริงให้เราเห็นอะไรนะแล้วความจริงมันก็มันก็เปลีป่ยนไปของมันเลยค <c ười> นะวามวันมันก็สดชื่น บองวันก็ไม่เคยตื่นเชียวนะบางวันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดบางวันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความนะ ว, มาวาม่างนะนะแล้วก็แค่รู้แต่แต่เป็นใหญ่ถ้าเราปฏิบนะัตินต่อเนื่องนะพนะักผ่อนเพียงพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็าจะตื่นชียวนะพองที่จะพร้อนะมที่จะ ท, ทํากิจวัตรต่างๆได้ ได้เต um, uh, mm. uh, ็มที่แต่ถ้าวันไหนงานเยอะเรื่องวุญวายเยอะนะตื่นขึ้นมาก็เมื่อเงียไม่เต็มเช่นไม่ค่อยอกจตื่นแต่ก็ดูมันนะบางทีบางวันเราก็เลิกได้วันก็เลิกไม่ได้นะงานการต่างๆแต่ช่วงเวลาเนี้ยนะก็เป็นช่วงที่เราไม่ต้องรีบอะไรมากเราก็สามารถที่จะ คอยตามรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมานในใจหรือว่ารู้สึกลงไปที่กายก็เป็นอย่างไรให้ชัดขึ้นท <นะ S 2> ี่จริงตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะที่เราได้ตื่น <c oughs> ไปขอบคุณนะ <c oughs> ที่เราได้มีวันใหม่ของชีวิตนะ วันใหม่ของชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ะที่เราจะได้ได้เดินทางต่อโอกาสใหม่ที่เราย่งได้ใช้เวลาะที่เหลือในชีวิตเพื่อทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทำํำรู้สึกไหมหรือว่าเห็นขึ้นมาโอ้ต้งเจอกับเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเห็นขึ้มาต้งเจอกับ อะไรเองก็ไม่รู้ละอ่ามันตา่างเลยนะสมมติเราเรามองว่าตื่นขึ้นมานต้อนเจอใน เ, เรื่องวุ่นวายใจเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเจอนะมันจะรู้สึกว่าการการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยมันเจอแต่เรื่องปุ๊บมันเจอแต่ปัญหาแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง น, นะเตื่นขึ้นมาเราได้มีโอกาสอ่าที่จะได้อ่า ทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทําใี่มันาสาเร็จรุ่วงเรอเราได้มีโอกาสในการที่จะนะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์นะกับตัวเองกับคนอื่นนะการตื่นหรือนะการมีชิวิตมันก็จะทําให้เรารสุขสันต อ, อมันเป็นเรื่องที่นะต้องขอบคุณนะที่ที่เราได้ได้มีโอกาสตั้นะ เมื si ina, ่ออาทิตย์ีแล้วนะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะที่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยหลายหลายเคสมากบางคนเป็นเด็กมากเลยนะแรกเกิดนะเพียงแค่เกิดมาตัวเล็กๆ็ถามพยาบาลหนักเท่าไหร่หนักกิโลหนึ่งหนักกิโลหนึ่งก็ใส่ท่อช่วยหายใจใส่ หลายหลายอย่างก็เด็กเกิดมาเล็กๆนี่ก็ก็ทรมานนะกนทุกทุกมากไปาบาลก็บอกเล็กคนนี้ก็มีไฟาห้าหกอันนแค่ห้าหกขีดก็มีเล็กมากนะเราว่าสองตันสองกิโลนี่ก็เล็กแลนะต่างกิโลในปกติอันนี้ห้าหกขีดก็มีแต่เด็กห้าหกขีดตัวเนี้ยเขา เขาก็ดีนะเขาไม่มีโรคอะไรมากเกินแต่ว่าไม่เขาก็ตัวเล็กนะก็ถ า, ถามตอนนี้รอดหรือเปล่าตอนนี้รอดเดียว์โตขึ้นมาเป็นเป็นเด็กรัก น, นะสี่ห้านะ <c oughs> ปมพยาบาลก็บอกก็ดีใจมากกันบีไปเดินห้างไปอะไรนะพอเขาเจอพยาบาลเ็จังได้นะีมมาก่อเลยธน <c oughs> ารักนะ แต่บางรายก็ไม่ได้โชคดี อ, อย่างนี้ครับ น, นะหลายรายพิโค่ผิดผิดนะท่าหรือว่ามีโรคต่ามมาก็ก็เสพชีวิตก็ก็แยเจอตั้งแต่เด็กนะห้องแรกโค่เจอเด็กคนก็ค่ออกมาแล้วสมองก็พิการเป็นคำพึธรรมภาะตลอดชีวิตนะ แต่พ่อแม่ก็ดูแลยังดีหรือนดงีไปเยี่ยมบางเคสอายุใกล้ๆกับเราหรืออายุน้อยกว่าเราเนี่ก็ก็พิจารณานะถ้าเป็นเราเป็นแบบนี้จะเป็ น, นยังไงเนาปะดูเพราะบางคนก็หายใจเองไม่ได้บางคนก็ช่อยแตเองแท่ไม่ค่อยได้แต่ก็สังเกตดู ถ้าคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนอายุนยน้อยก็ค่อนข้างจะญาติพี่น้องก็ค่อนข้านจะวตกกังวลมากกว่าข ค, คนป่วยที่อายุเยอะแล้วเป็นคนแข็งเพราะว่าความรู้สึกที่เราคิดว่ามันเร็วเกินไปเขาต้องเจอกาบโรคไขได้จเจ็บเร็วเกินไป หรือเขาอจจะต้องเจ็ก <fun ut> ับความพัาดพาดเกเสียเร็วเกินไปไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ถ้าเราดูในความจริงนะมันก็มีเยอะมากเหมือนกันที่ที่เด็กๆหรือวัยรุ่นหรือวัยที่เพิ่งเหมือนเริ่มทำการทำงานเจ็บไข้ที่ป่วยเยอะมากนะเยอะเยอะจน แต่นนั้นเราอยู่ในในสังคมทั่วๆไปทีเรามองไม่เห็นใช่ไหมนะเพราะคนป่วยเหล่านี้บางทีก็อยู่ที่บ้านบางทีก็อยู่ที่โรงพยาบาล น, นะไม่ไปเดินมันเดินเป็นงพลาดให้เราได้เจอเราก็เลยคิดว่านะส่วนใหญ่โรคที่เราเจอคือเจอโรกคนที่ร่างกายเป็นปกติใชนะ่แต่ที่จริงคนป่วยที่จิตไม่ปกติก็มีเยอะเหมือนกันนะ คนหนึงก็เดูยวลงแามคนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านนะไอที่เราเจอแล้วขนาดว่าปกติแล้วมันยังพุ่นขนาดนี้ <c oughs> จิตคนเราเนี่ยพุ่นวัดพุ่นไวขนาดนี้นั่นที่จริงนะเอโลกนี้ยมันมีมีสิ่งที่เอมันมีความเป็นไปนได้ที่จะเกิดขึ้นนะหลายอย่างนะกับร่างกาย นี้เองก็ดีหรือกับ จ, จิตใจนี้เองก็ดีน ะ, ะเขาเพื่อจ้าก็ราเลเตือนเราว่ า, า, ะาะจะได้ประมาร์จะได้ประมารในชีวิตว่าอ า, อายุเรายังยังไม่มากน ะ, นะจะได้ประมารในชีวิตว่าร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่จะได้ประมารในชีวิตว่าเรายังคงมีเวลาย อ, ยอยู่กับโลกนี้อีกนานพอสมควรนะะ หรืออยาได้ประมาณในในกุศลธรรมนะหรือนะจิตนะที่เราคิดว่ายังมีเวลาที่จะฝึกเขานะมากกว่านี้อยูนะ่อันนี้คือถ้าเราประมาทนะนะร่างกายมันก็ไม่แน่นอนนะพนะอถึงวันที่ร่างกายเจ็บไข้ที่ป่วยหนักๆเนี่ยนะมันก็ จิตใจก็ถ้าไม่เคยฝึกมามันก็ทรมานร่างกายที่เป็นทุกข์มันก็อาจจะส่งผลให้จิตใจเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าไม่ได้ฝึกแต่ถ้านมีการเป็นเกลื่อนสติบ้างได้ฝึกบ้างเนี่ยก็ดีสัปดาห์ที่ที่ไปเยี่ยมก็ไปกบไปเจอเด็กผูยย้หญิงนั่นเองแต่แพทยาบานก็บอกว่าเดี๋ยว จ, จะไปเยี่ยมที่บ้านเด็ก พอไปฟินจำได้ก็เด็กคนนี Et, ้เคยแต่ก่อนจะอยู่โรงพยาบาลเราจะเยี่ยมนะแต่ก่อนนี่จอดจอดคอใส่ท่อช่วยหาใจเขาเคยไปฝึกนะฝึกให้เขานอนแล้วก็พลิกมือสร้างนาทีบนนี้แหลพอไปฟินอยู่ที่บ้านเห็นหน้าเขายิ้มมาตตั้งแต่ตอนเราเข้าไปประตูบ้านนะเออก็ชื่นใจ หมอถ้าถามจำท่าอาจารย์ได้ไหมเขาจําได้อาจารย์สอนว่ายังไงเขาจะพลิกมืงให้ดูอออลิกมือให้ดูอืก็เยก็แต่งว่าเขาก็เอาท่าใส่การพลิกมือนะไปใช้ตอนที่ป่วยแล้วก็กลับมาที่บ้านดูสีหน้าก็ก็สดใ ส, ส, ดใสไม่ว่าสนใสกระเดกไปรื่นก็ไปก็ได้นะ การที่ป่วยเป็นเหมือนกล้ามเนื้อเหมือนอ่อนแรงควบคุมอะไรไม่ได้ได้นะพราะหอมนะแต่หน้าตาสดใสนะร่างกายอมหน้าตาสดใสก็ถามตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็บอกก็อยู่บ้านคนเดียวนะนะแต่ก็จะเรียนมอสทอแนตะ่เรียนปนิยตีนะเป็นที่บ้านเนี่ยนะจนะทำอะไร ได้บ้างขายของทางอิเนเทอร์เน็ตก็ใช้อิเนเทอร์เน็ตเป็นช่องทางแบ่งเบาภาระของครอบครัวบอกเขาช่วยแม่สงที่คราวนี้จนจบ น, น, นะเรานะขายของพวกสินค่าจากเกาหลีพวกเติมก้องงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ก็เด็กก็มีความสุขที่ได้เหมือนได้ทำ นอะไรช่วยครอบครัวแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับทิเขาก็ก็ฝึกสติไปด้วยก็ทำให้จิตใจเขาก็ก็มีครๆอยู่ได้น ะ, ะแม้มันก็ดูว่าโล ก, โลกมันไม่หายหรอกนะหมอเองก็บอกว่าพยายา ก, กรอโลคก็าคงไม่ได้ไปจะดีขึ้นเขาคงค่อยๆลรงไปแต่ถ้าเราดูแล้วก็ แต่อย่างน้อยเขาก็ได้พบอะไรดีๆในชีวิตของเขานะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อีกนานเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาได้พบเนะี่ยได้พบครอบครัวที่เอาใจใส่เขาได้พบว่าอ่าปตนะิช่วยให้เขามีจิตใจที่มั่นคงขึ้นได้นะได้พบคุณค่าของตัวเองนะมันก็เป็นสิ่งที่ ท, ทีก็น่า ก็น่าดีใจอยู่ที่ว่าเ อ, อเขาก็สามารถได้หลักนะในการเป็นใช้ชีวิตแต่มางลักษาะไหนก็คงคงต้องเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องไปฝึกต่อเนี่ยนะแต่บางทีเยี่ยงผู้ป่วยบางคนนะอายุเยอนะแต่บางทีก็ยิ่งดูเศร้ามากกว่าเด็กนะพอรู้ตัวเองป่วยนะซึ่นั ก, นกไม่อยากกินข้าว ไม่อยากทำอะไรนะอยากจะนอนอย่างเดียวนะกินก็ไม่อยากกินทำอย่างอื่นก็ไม่อยากทำเหมือนอะไรเหมือนคล้ๆหมดตาแลหมดอะไรนะอะไรใจอยากอะไรนะหมดอะไรใจอยากชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วนะอายุเยอะแล้วอ่เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่า ชีวิตมันยังมีอะไรที่มากกว่าร่างกายร่างกายมันก็เป็นเราก็ใช้มาเยอะแล้ว ม, มันก็ตามสภาพมันก็ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่ก็ยังเหือชีวิตยอยู่นะแต่พอหมดอะไรใจอยากนอนจมอยู่แบบนั้นนะไม่พูดไม่คุยกับใครนะไม่อยากกินอะไรนะ ลูกหลานจะทําอะไรให้ก็ไม่ค่อยสนใจในะ้ะก็ดูว่าก็น้าสงสางนะเอนะก็พยายามชวนพูดคุยประทนคำตอบพามรนะมันก็ไม่ติดเกี่ยวกับอายุนะเอบางทีบางคนอายุเยอะเหมือนจะเหมือนจะเข้าใจชีวิตเยอะแต่บางทีก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตเยอะ อ, อ, นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะ เราดูคนอื่นเนะเราก็ย้อนกลัมาดูตัวเองัต่ลมาก็มาพูดให้เราฟังนะว่ามันก็นั่ชีวิตนะแต่ละคนมันก็มีความไม่แน่นอ น, นในชีวิตโรคภัยแคเจ็บก็ดีหรือว่าอายุไัก็ดีแต่ถ้าภัยนะมีสตินะมันก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกันนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วสุดท้ายทางครอบครัวก็ตัดสินใจว่าไม่รักษาตอนแรกก็สองจีตสองใจอันนี้ไม่ใช่ที่สรงพยาบที่ไปที่มีอาจจะต่ังสือนนะพยาบาลก็ก็พ่อแม่ก็วิพากษว่าจะรักษาหรือเปล่านาะก็ไปรึกษาพยาบาลพยาบาลก็พูดประมาณว่า คือถ้าเป็นรูปของเขาเขากไ็ไม่ไม่รักษาประมาณว่าเด็กถ้ารักษาก็ก็คงก็คงแบบทรมานกายเยอะนะสุดท้ายก็เด็กพากลับไปรักษาที่บ้านใช้แผงทางเลือกระดับยางแทนแต่เขาก็โชคดีนะได้เจอป้ายจันรุน่นหนึ่งนะ่ะนดมาเยี่ยมนะเนื่องจากมีเกิดพายแล้วก็มีมนป้ายจันเยีย่ยม พระอาจารย์ท่านก็สอนท่านาธรรมกับเด็กนะพระอาจารย์ท่านพูดประมาณว่าแค่สนท่านาธรรมคั้งแรกนะจิตเด็กนี้ยแยกรูปแยกนามได้เลยคือเด็กเขาพอสนท่านาธรรมกับพระอาจารย์ไปจิตแยกรูปแยกนามได้นะแต่ก็ยังตอนนั้นก็ยังอยู่อยู่โรงพยาบาลอยู่นะพอออกมาอยู่ที่บ้านนะพอออกมาอยู่ที่บ้านนะ คิดเพื่อคิดถึงอยากไปหาพระอาจารย์อีกนะทำไงกนะ็พ่อกับแม่ก็ลูกป่วยอย่างขนาดนี้จะไปหาพระอาจารย์ยังไงลูกว่าพาหนู่ไปอยู่วัดได้ไหมนะหลายคนก็ริส่งนะเจ็บป่วยมากๆวัดก็เป็นวัดป่านะขึ้นเขาต้องแบบใส่แค่นะเดินขึ้นเขาทางเดินก็ไม่ค่อยดีไฟฟ้าก็รู้สึก มันจะไม่มีแต่ด้วยความที่จิตใจเด็กมันเขาตั้งมั่นมากแน่วแน่มากหนูอยากไปอยู่กับพระอาจารย์ก็พ่อแม่ก็เลยพาขึ้นไปอยู่บนเขาพ่อแม่ก็ไปอยู่ด้วยทำอาหารทำดูแลสุขภาพแบบทางเลือกให้กับลูกเด็กก็ได้ไปอยู่วัดสมใจอยากไปขคอเป็นวดเป็นทีนะอายุสิบขวบนะเป็นแม่ที เด็เกผู้หญิงเด็กประถมอยู่ไม่คี่อาจารย์เขามาสนทนาธรรมแทบทุกวันนะเด็กก็สิ่งที่สนใจจริงคือธรรมะเนี่ยธรรมะชอบสนทนาธรรมกับอาจารย์แล้วก็ดูแลได้เองตามกำหนดการต่างๆะเด็กคนนี้เขาเขาหน้ารักเขาบันทึกแทบทุกวันก็เขาทำอะไรบ้ า, บางแต่เขาก็ไม่ค่อยบันทึกในช่วงที่ ที่คุยกับอาจารย์ประมาณว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างหนูกับอาจารย์ไม่ไปแต่ตอนหังคนสัมภาษณ์อาจจะเป็นสัมภาษไปถามอาจารย์อว่าเเด็กเขาเคุย อ, อะไรบ้างนะอาจารย์ก็ว่าเด็กคนนีเ้เขาโหจิตเขาก้าวหน้ามากนะเริ่มจากตําแรกที่เกระตุนทำแย่งรูปแย่ยงงานกันได้ ไทยเด็กก็รู้สึกเห็ น, นเห็นปร ม, มัตถเห็นสมมติได้เลย น, นะหลังจากที่คุยกันไม่ก็ไม่ได้คุยอย่างเดียวนะก็เด็กเขออาข อ, อาจจะเด็กเขาาจจการตามรู้ลมหายใจเสด็จไนอนนั่นนงได้บ้างนะแต่เดินไม่ค่อยได้ดูลมหายใจาอาจจะกำหนดสติกับลมหายใจพิจารณาเวทนาของกายนะ ผ่านการดูลมหายใจแล้วก็คงแล้วก็คงเห็นจิตใจนะที่ที่เกิดขึ้นนะแต่จากบทสนทนาของเขานะก็เขาก็ยังเป็นเด็กทั่วทั่วไปนะ่ะยังอยากก <c oughs> ินขนมยังอยากอ่านหนังสือนะแต่หนังสือที่อยากอ่านก็เป็นเรื่องอาอาจจะเป็นนิยายบ้างนะอาจจะเป็นเรื่องธรรมะบ้างน่ะก็มี ก็ยังมีรู้สึกเศร้าอยู่บ้างแต่ทั้งหมดคือเขาก็มีอารมณ์เหมือนคนทั่วไปแหละแต่แต่มันไม่มากมันนิดๆหนๆ่อยๆมันมีขึ้นมาแล้วพอตัดสินพอเลิกได้นะเขาก็เลิกงงงแงเขาก็เลิกเศร้านะเขาก็ทำนะ ม, มาดูแลตัวเองนะเป็นปกตินี่คืออันนี้ก็พูดให้ฟังให้รัวมาที่จริง จิตของนะของคนแม้ปึีนะมันก็ยังมีอารมณ์แบบปกตินี่แหละนะจะมีความรู้สึกเศร้าจะมีความรู้สึกยังไม่อยากจะตายยังมีความรู้สึกว่านะอยากจะอยู่กับพ่อแม่นานๆนะเหมือนคนปกตินะแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้ฟังธรรมได้สุ น, านาทรณาธรรมก็ได้ปฏิเค็กลับมา ถึงเมื่อไรที่เขากลับมาตามดูแต่ลมหายใจของเขาหรือของเราก็ตามดูกรรมฐ า, านคนใดคนหนึ่งก็แลแ้วแต่สติเขาก็กลับมากลับมาระลึกรู้กายรู้ใจเนะี่ยมันก็เห็นนะเขาบอกเขาก็เห็นความเศร้านะมันเกิดขึ้นในใจนะแต่เขาเลือกที่จะไม่เศร้านะการความเศร้าก็ได้นะประมาณนี้น หรือความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายแทบทั้งหมดเลยนะแต่เขารูออ้สึกมันมันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่ใจแต่ใจเจ็บปวดด้วยฝ่าเขาก็พูดอลไประสาทเด็กๆันะก็ะก็ไม่ได้เจ็บปวดด้วนยนะอันนี้คือเนี่ยเขาก็ฝึกของเขาฝึกท้ายก็เหยีก ก็เีชีวิต ท, ที่วันอะไะอย่างสงบนะนี่คือเด็กเองนะในหลายคนก็ฝึกได้นะหรือมีหรือแม้แต่คนที่อาจจะเคยฝึกมาบ้านแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่พอเจอเหตุการณ์ที่แรงในชีวิตนะมันก็ช่วยนะช่วยให้เขาพลิกจิตขึ้นมาเป็นผู้ดู สภาวะมันแตกได้นะมีนักข่าวหนะึ่งชาวแคนาดานะเขาไปทํางานที่จัมมี่แลประเทศในแถบทเิลแคทิวินี้การแล้วปรากฏ ว, ว่ามันก็มีสงครามในประเทศก็โดนผู้ปลอกโดนพวกโจร น, นะจับตัวไปเรียกคาทนยในขณะที่เรียกค่าทายยังกับครอบครัวยังต่อรองยังไรกันอยู่นะ โจรมันก็หน้าเมื่อยนะนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วก็จุดผู้หญิงค น, นนี้นะไปขมขืนนะแต่ผู้หญิงคนนี้นเขาก็เคยฝึกวิปัสสนามาบ้างตอนที่ถูกขังนะไม่มีอะไรทานะคิดแล้วลื่ได้เรื่องการฝึกวิปัสสนาของเขาเนะก่อนหน้านั้นก็ยังฝึกยังไม่เข้าใจอะไรแต่พอมันเหตุการณ์มันขับขันหรือว่าไม่มีทางเลือกนะ โดนขังกักขังบเเริเวณไวนะ้ก็ใส่วันเวลาที่เหลือนะสุขวิปัส น, นาอยู่ในที่กักขังนั่นแหละแต่ในรายทีเองเราก็เขาก็ไม่ได้บอกขึนแบบไหนนะแั้พอวันหนึ่งที่เขาถูกถูกโจลด่ไปจะข่มคืนเขานะ เขาบอกว่าในขณะที่เนี่ยาเขียนนะในขณะที่โจรกำลังคมขืนเขานะเขาแบบจิตเขาเนี่ยมันออกมาเป็นผู้ดูเห็นเห็นน่างสองร่างแต่เขาใช้ก็ว่าเหมือนคล้ายเห็นเห็ น, เ, ห น, เ, หนเป็นเหมือนศึกสัตว์สองตัวที่มันแบบมันกระทำกันนะตัวหนึ่งมันมันดูกรายมันมันข่มขื นะตัดอีกตัวหนึ่งร่างอีกตัวหนึ่งร่างของเขาที่นอนอยู่นะมันก็เหมือนมันก็ได้รับความทุกข์รนะ่างกายนะมันได้รับความทุกขนะ์แล้วร่างอีกร่างหนึ่งมันก็ทำร้ายอีกร่างหนึ่งด้วยความโกรธนะด้วยความสะใจนะแต่กีบเขามาเป็นผู้เห็นนะเห็นเป็นแบบ เห็นเป็นร่างกายสองร่างกายเนี่ยมันมันกระทํากันจิตเขาเป็นผู้ดูอยู่ดีเฉยไม่ทุกข์แล้วก็ไม่โกรธคนที่ทําร้ายร่างกายเขาด้วยนี่เขาบอกเขาเขียนมมันเป็นสภาวะที่ความเงินขับขันแล้วสิ่งที่ฝึกมานะมันทําให้มนุษยออกมามนุษย์ออกมาเป็นผู้ดูสภาวะได้แล้วเขาก็ก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก็ เหมือนได้รับการไถ่ตัวออกไปนะพอกลับไปประเทศนะมันก็ทำใี้เขาสะ้อนทีว่าเขาก็ไม่ได้ปวดจริงสุดท้ายเขาก็กลับไปประเทศนั้นประเทศที่จับตัวเขาอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งนะที่จับตัวเขาหรือว่าเขาถูกกลมคืนกลับไปไปทำงานในเจิพัฒนาคนน้อยกโอกาสในประเทศนั้น มันน่าสน ใ, ใจจริงๆในแง่ว่าเนี่ยเขาถูกเขาถู ก, าถกทาร้ายขนาดนั้นนะแต่จิตเนะี่ยที่เนะี่ยที่มีวิปตนา ย, ยานเกิดขึ้นมามันเห็นมันเพียงแค่ไอ้ที่ถูกทำร้ายจริงคือลูกนะแล้วูกมันก็ถูกทำร้ายมันก็ผ่านไปแล้วนะมันพุกไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันจบนะแต่ใจที่ไม่ไป้ผูกความโกรธูกความพยาบาทเนี่ย มันก็ทำให้เขาสงสารสงสารคนในประเทศนะั้นสงสารความยากลำบากอย่าะเทศนะั้นอยากกลับไปช่วยเหลือเขาก็กลับไปช่วยเหลือนะทำงานเป็นมูลนที่อะไรก็ไม่รู้นะช่วยเหลือคนในท้องถิ่นนะั้นเขาก็มองแบบแยกๆนะคนดีก็มนะีคนไม่ดีก็มีแต่ไม่ว่าจะเป็นคนดีในประเทศนั้นก็ดี หรือคนไม่ดีในเพศ น, นั้นก็ดีเขาก็เจอตกความทุกขนะ์เขาก็อยากจะ ก, กับไปช่วยเหลือนะเพื่อนร่วงโลกให้คนจากความทุกข์หรือมีมีหลวงพ่อรุ่นนึ่งนะอยู่ประเทศจีนนะท่านในสมัยคอมมิวนิสนะต์สมัยคอมมิวนิสต์น่าจะเป็นช่วงยุคยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะ เขาเช่นวดเรื่องเรื่องเรื่องพระเรื่องศาสนามากนะเรียกว่าท้าพระรุ่งใดมีชื่อเสียงมีบารมีนะทหารมันเข้าไปคุมรอกวัดเลยมีหลวงพ่อรุ่งเงินท่านก็เป็นเป็นเจ้าว่าทานนิ่งใจเ็กนะก็มีชื่อเสียงมากก็มีทหารหนุ่มๆเนี่ยนะไปคุมเป็นเฝ้าทุกวัน วันหนึ่งทหารหนุ่มๆคนนี้ก็ไปกินเหล้าเมายา ก, กินเหล้านะเมากลับมาที่วัดนะก็ด้วยความคลั่งนองหรือความอะไรก็นี้ยก็ไปทําร้ายหลวงพ่อจนเกือบตายหลวพ่อนั้นก็อายุเยอนมากนะถูกทําร้ายก็เรียกว่าป่านตายมากทุกติษก็มาเห็นร่างของท่านในตอนเช้าก็พาท่านไปที่โรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าท่านคงไม่รอดแน่ละ พราว่าอายุเยอะแล้วสกดทำร้ายหนักมากนะแต่ปุ่มนึงก็ได้บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้ามันไม่ไหวจริงก็ก็ลาไปเลยเนาะสังหารประมาณนะั้นะเพราะว่าดูแบบโกงมากมากแต่ก็เห็นเห็นแั่ภาพหลงข้อเหมืนอนหลวงพ่อไม่อยากตายหลวงพ่ออยากจะ่าแบบอืมเหมือนอา ก, การหนึ่งคนแบบ แต่ร่วงเป็นทีแล้วแต่มีความฝืนที่จะไม่อยากตายพวกศิษย์ก็แบบทําไมสงฆพ่อแล้วว่าสงฆพ่อเป็นครูที่มีธรรมะสูงทาไมไม่ทิ้งร่างกายทำไมไม่ไปล่อยวางทำไมไม่ปล่อยวางเลยร่างกายในไห น, ไหนมันก็อายุเยอะแล้วใช้แทบไม่ได้แล้วถูกทาร้ายขนาดนี้ทํามไม่ปล่อยวางพวกศิษยส่วนหนึ่งก็ก็แบบ ก็เกิดความรู้สึกเหมือนได้ายผิดหวังในตัวหลวงพ่อนึกว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอหาท่านต้องถ้าตืนพากลับนี้ปล่อยวางไปเลยสิแต่หลวงพ่อท่านแสดงท่าทีเหมือนอยากจะมีชีวิตอยู่ยังไม่อยากตายแต่ท่านก็ผมพูดอะไรไม่ได้มากในตอนนั้นท่านก็พยายามมีชีวิตอยู่ฟื้นขึ้นมาค่อยๆฟื้นขึ้นมาจนท่านก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง เป็นมีจนลูกสิธย์กลุ่มเนี้แหละพอเห็นท่านฟื้นขึ้นมาได้ก็ก็ไปตัดพ่อของหลวงพ่อนะตัดพ่อกองหลวงพ่อทำไมคล้ายๆคลสายคาหลวงพอนะ่อเนียพอสมควรนะพอเห็นสภาพที่ข้อเจ็บพอรำมาแล้วหลวงพ่อไม่ปล่อยวางร่างกายนะแต่พอหลวงพ่อท่านพูดนะท่านบอกว่าที่เราเนะี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อฟื้น ร่างกายเราก็รู้นะว่าร่างกายมันมันใกล้จะตายจนทีแล้วถ้าตายง่ายกว่าการมีชีวิตอยู่แต่ที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่ก็เราสงสารคนที่ทำร้ายเราอืมมันบอกว่าถ้าเราตายไปในตอนนี้คนกลุ่นี้ต้องตกนรกเออไม่ได้ฝุ่ไม่ได้เกิดแต่เรายัางไม่อยากจะให้คือเราสงสารเขามไม่อยากให้คนกลุนะ่นี้ เขาตกนรกเราเลยต้องสืบหนากายให้มีชีวิตอยู่แล้วเขาก็สุดท้ายคนกลุ่มนี้เขเห็นหลวงพ่อพูดแบบนี้นะคือแม้แต่ตัานอ่านเนี่ยที่เคยทำงานหลวงพ่อน่ยพอเห็นท่านเออ่มีจิตใจที่ไม่ปูกพยาบาลเขานะยังสงสารเขายัางเมตตาเขานะคนกลุ่มนี้ก็กลับใจตัดใจเขาโลกท่านแล้วก็ ปฏิบัติต่ท่านอย่างดีนี่คืออคนที่มีธรรมะเนาะหือปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าอาจจะมีความไม่พอใจอาจจะมีความโกรธแต่ท่านสามารถก้าว ข, ข้ามมันได้จนกรทั่นมันมีเมตา ม, มีความสงสารเข้ามาแทนที่มันมีความทุกข์ของกายที่เกิดขึ้นแ น, น่นอนจากการถูกทําร้ายแต่พอ ใจเป็นผู้เห็นเห็นร่างกายที่ถูกทําร้ายเพียงนาทีจา ก, ก็จะมีความนั่ข่าวหรือว่าจะควากกมหลวงพ้อนะแต่ความเป็นผู้เห็นะมันเห็นว่าที่จริงมันพุกมันเจ็บมันก็เป็นเพียงแค่ร่างกายนะแต่ใ จ, ใจิตใจท่านท่านไม่ได้ยึดมัน่นถึงมันในร่างกายจนแล้วแต่ท่านก็ยังต้องอาศัยร่างกายนะอะอาศัยร่างกายอย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้เขาตกนรก อ, อย่างน้อยก็คือเพื่อให้เขาเพื่อให้ร่างกายท่านได้จำลองอยู่เขามีโอกาสได้กลับใจมันก็เป็นโอกาสที่ท่านเมตตาต่อเขาเป็นอย่างมากอะเนี้เราว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นนะเยอะมากหรืออย่างที่ได้สัมผัสเองนะอย่างสลวงพ่อบเขียนเองก็ดีหรืออาจารย์ลำโพนเองก็ดีหลพ่อบำเพ็ญเขาบอกตอนปีสี่เก้านะ ที่เป็นมะเร็งครั้งแรกแล้วก็อาการหนักเข้าไอพีอยู่มุณพ่อบอกถ้าจะตายมันง่ายนิดเดียวนะมันหายใจไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไปเลยเนี่ยมันง่ายแต่หลวงพ่อมองเห็นคนกรอกกรจกร้องไห้อะไรอว่าน่าบอกเราเป็นตายไม่ได้นะเรายังต้องสอนคนพวกนี้่อนประมาณนะั้นประมาณการที่จะฟื้นร่างกายให้กลับคืนมามัน มันต้องใช้กระบวนการเยอะนะแต่ท่านก็ทำด้วยความสงสารด้วยความเมตตาการที่ท่านอยู่นะก็อยู่กิดกนตัวก็ไม่มีแล้วนะก็อยู่เพื่อช่วยคนอื่นแั้วก็คบบนอื่นตีนเห็นอาจารย์นรพล น, น, นะร่างกายท่านก็ก็แบบคนรู้ว่ามันไม่ได้พื้นจะดีขึ้นมาละนะแต่ก็ใช้ปันเวลาในการทำประโยชน์นะส่วน ให้กับคนอื่นเนะท่าที่ทําได้นะนะทําทุกวันทําทุกวันนั้นนะ่วันเวลานะที่เรามีชีวิตอยู่สื่อขึ้นมานเะนี่ยเวลาเราจะนึกถึงบุคคลที่ที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจที่เราได้นะ่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตใช่ไนหะมเอาจะรู้สึกเออถ้างาน ของเราจะมีสิที่ต้องทำในในเรื่องของจิตใจเราก็จะได้ใช้เวลานให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเพราะขนาดครูบาอาจารย์ที่ท่านจบกิจแล้วท่านก็ยังนะยังไม่ได้แบบนะปล่อยวางเรื่องของร่างกายในการที่จะต้องให้มันรีบตายไปที่ไหนนะแต่ท่านก็ยังละสาร่างกายเพื่อทาประโยชน์ต่อคนอื่น เราเองติดยังต้องกระต่ายร่างกายเพื่อทำประโยชน์กับตัวเองให้ให้เต็มที่ด้วยนะมาดึงประโยชน์นะทางโลกก็คงเขื่อนหะนึ่งแต่ประโยชน์ทางทรรเนี่ยที่เราเรามากรักลกเลยน ะ, ะในการที่จะเอาร่างกายเนะี่ยมาเป็นตัวฝึกจิตใจน ะ, ะฝึกจิตใจให้พัฒนาขึ้นนะให้มี สติให้มีเมตตาให้มีปัญญามากขึ้น น, นะคือเรื่องงานของเรานะจะทิ้งงานทางนี้นะงานทางโลกใครมีภาระมีหน้าที่ก็คงต้องทำแต่เราจะทิ้งว่าเราจะมีงานทางธรรมที่ต้องใช้ทุกวันทุกเวลาสุดผนแล้วก็ทำควบคู่ไปกับงานทางโลกนะใช้ชีวิตเนะี่ยให้คุ้มค่าที่สุด มาถึงนะวันหนึ่งที่เราจะหมดชีวิตนะหมดลมหายใจแต่จริงก็ไม่ได้มองว่าชีวิตเป็นเรื่องของแค่ผลตลมหายใจอันนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเรื่องทางกายแต่จริงชีวิตมองมันเป็นเรื่องที่มันมากกว่ากายมันก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งนั้นความกลัวตายมันก็จะลดลงเพราะว่า เพราะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตที่เราได้ใช้ในร่างนี้เราได้เราได้ฝุดฝนตัเองพอสมควรนะมันก็เป็นต้นทุนเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อก็ได้นะแม้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติสุดท้ายแต่มันก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้นะไม่ได้ทุกข์ใจมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราได้ใช้ชาตินี้นะ เต็มที่เ็ใช้ชาตินี้ในการฝึกฝนะตนใช้ชาตินี้ในการที่นะทําความดีกับคนอื่นนะไมไ่ใช้ชาตินี้ในการทาความชั่วน้อยที่สุดเ ท, ที่ทําได้ละมันต้องรู้สึกนะภูมิใจที่เราได้ใช้ชีวิตนี้นะคุ้มค่ามากๆเนหะมือนเราใช้ของอะไรคุ้มค่าเมื่อของนั้นมัน มันเสื่อมสภาพไปแล้วรู้สึกไงได้ใช้เต็มที่แลนะ้วเนาะอือก็ก็ปล่อยวางง่ายๆนยะแต่ถ้าเราแบบนของอยากยังไม่ยังใช้ไม่ค่อยเต็มที่เลยแล้วมันหายไปเนี่ยโอ้เสียดายนะ <c oughs> แต่ของอะได้ใช้เต็มที่นะอย่งใช้มดแต่ก่อนนะดิสอเนี่ยเขียนจนแบบสั้นๆนะจนหมดแล้วนะก็เต็มที่แล้วก็อือแม้ยังรู้สึกผูกพันธุ์กำมันเยอะแต่ก็รู้สึก แต่ใช้เต็มที่แล้วไม่เป็นไรนะแต่ถ้าดินต่อเรื่องไหนพึ่งใช้แล้วก็หายไปเนี่ยโอมันก็เสียดายใช่ไหมชีวิตเราเองก็เหมือนกันนะชีวิตสร็จสั้นเสรยาวฒนาดไหแล้วก็หนดไม่ได้แต่ดีที่เรากำหนดได้คือเราใช้มันเต็มที่หรือเปล่าในการทําสิ่งที่ดีในการละความชั่วแล้วก็ในการฝึกใจนะให้ให้พัฒนาขึ้นนะ ก็ปากไว้นะ